เหตุการณ์นายแพทย์อาจินบุญยเกตพบวิญญาหนูพิมพ์ภวดีณโรงพยาบาลสิริราชเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ได้เกิดกับตัวผมไม่ว่าจะพูดที่ไหนขี่สิบร้อยครั้งก็เป็นอย่างนี้ผมป่วยเป็นโรคประสาททางสมองเส้นที่หทางด้านขวาเริ่มเป็นมาตั้งแต่วัยรุ่นอายุราวๆส6 1หปีตอนนั้นพอดีเกิดสงครามอินโดจีน และก็ปวดเรื่อยมาระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเป็นๆหายๆโดยมีอาการปวด ป, วดประสาทด้านขวาตั้งแต่เบ้าตาขึ้นไปถึงกลางกระหม่อมปวดอยู่ซีกเดียวแต่ตอนนั้นยังเป็นหนุ่มแน่นอายุยังน้อยอาการก็ไม่ทรมานรุนแรงมากนะักกินยาแก้ปวดแรงๆหน่อยก็บรรเทาปวดไปได้แต่ขอให้อาจารย์ที่ศิริราชตรวจท่านก็บอกว่าสายตาไม่ดีมีส่วนทาให้ปวดประสาทได้ ผมก็เลยสวมแว่นตาตั้งแต่อายุ20จนถึงทุกวันนี้สรุปว่าผมป่วยด้วยโรคนี้มานานนับสิบสิบปีทั้งตอนที่เป็นนายแพทย์ผู้อานวยการจังหวัดภูเก็ตหรือตอนไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาเวลาสปีก็มีอาการทั้งสปีแพทย์ที่อเมริกาชวนผ่าตัดผมก็ยอมแต่พอจะผ่าจริงมันก็เกิดหายปวดเพราะมันเป็นเป็นหายหายในที่สุดหมอที่นั่นเลยไม่ได้กล้าผ่าผม จนกระทั่งเป็นรองผู้อํามนวยการโรงพยาบาลสงศ์อยู่ฝ่ายวิชาการเกิดปวดมากอีกคนจึงทนไม่ไหวในที่สุดต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชโรคนี้ไม่รู้สาเหตุแต่เดี๋ยวนี้คุณหมอศิระบุญญรัตะเวชหัวหน้าสรรยกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นผู้เชี่ยวชาญทางสรรยกรรมสมองและประสาทท่านบอกว่าหนึ่งในสาเหตุของโรคนี้ก็คือเส้นโลหิตในสมองเส้นหนึ่ง ไปเบียดเส้นประสาทสมองเส้นที่หเมื่อเส้นโลหิตขยายตัวตวามจังหวะการเต้นของหัวใจมันก็จะไปเบียดกระตุ้นเส้นประสาทเส้นนี้ทุกทีหนักๆเข้าก็ระบมปวดอย่างนี้คนโบราณเรียกว่าลมตะกังหมอปัจจุบันเรียกว่าไมเกรนซึ่งการรักษายากมากผมได้ถูกรับตัวไว้เพื่อตรวจละเอียดและรักษาที่ตึกวิบุลลักษณ์ชั้นล่างห้องที่เท่าไหร่ก็จําไม่ได้แล้ว แต่รับการเยียวยาดูแลรักษาอย่างดีจากครูบาอาจารย์และเพื่อนฝูงแต่อาการปวดประสาทก็รุนแรงมากแทบจะผูกคอตายไปตั้งหลายหนคืนหนึ่งราวๆสองทุ่มเศษโรคปวดประสาทกำเริบอีกทีนี้ปวดดิ้นเลยพยาบาลให้กินยาฉีดยาตาแพทย์สั่งไว้ก็ไม่สงบคือเอาไม่อยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นผมก็นอนหลับตาเอามือกุมขมับข้างที่ปวด แล้วภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธ ท, ทำอาณาปณาสติไปเรื่อยๆที่ผมทำแบบนี้ได้ก็เพราะเมื่อปี 2,500 ผมเคยบวชเป็นพระที่วัดราชาธิว 1, าส1พรรษาวัดนี้เป็นวัดวิปัสนากรรมฐานผมก็ได้รับการอบรมเรื่องนี้มาด้วยพอทาสมาธิวิปัสนาสักครู่อาการปวดก็สงบลงมันก็เป็นเช่นนี้คือปวดสักพักแล้วก็บรรเทาพอสงบ ผมก็เลยสงบจิตทำสมาธิต่อประมาณสามทุ่มเศษผมมองเห็นอะไรลางๆก็ลืมตาขึ้นมาพลางถามภรรยาและพยาบาลพิเศษที่เฝ้าอยู่ว่าใครมาก็ได้รับคำตอบว่าดึกแล้วไม่มีใครมาหรอกผมก็หลับตาเข้าสมาธิต่อพอสักครู่ก็เห็นชัดขณะลืมตามองก็เห็นชัดว่ามีเด็กผู้หญิงผู้หนึ่งรูปร่างอ้วนเหลือเกิน ว้วนเนี่ยกับเป็นโรคชนิดหนึ่งแต่หน้าตายังเด็กมายืนอยู่ข้างเตียงเธอแต่งตัวด้วยชุดของโรงพยาบาลผมก็เอ่ยปากถามว่าหนูเป็นใครมาทำไมที่นี่พอผมพูดออกมาดังๆเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ยินรวมทั้งคุณใบกล้าหานซึ่งรับราชการอยู่โรงพยาบาลสงจนถึงทุกวันนี้ภรรยาจึงเข้ามาเขย่าแขนผมและพูดว่าอยู ie, ่นี่อยู่นี่ ก็คงนึกว่าผมปวดมากจนเพอ้อผมก็บอกว่าไม่ได้เพ้อหรือเสียสติอะไรหรอกแต่มีใครเห็นไหมหนูอ้วนมานั่งอยู่ข้างเตียงนี่สองคนนั้นก็ตอบว่าไม่มีใครเด็กแล้วผมสังเกตว่าสองคนนั้นเริ่มขยับเข่ า, าชิดๆกันชักจะหนาวกันแล้วภรรยาผมก็ทำท่าจะสวดมนต์เห็นพนมมือไหว้ปลุกปลก แต่ผมก็ยังข้องใจเพราะหนูคนนั้นก็ยังนั่งอยู่อย่างสงบเสงี่ยมผมก็เลยพูดออกมาดังๆกับภรรยาและพยาบาลในห้องว่าจะคุยกับเด็กคนนี้นะช่วยจดจดจาไว้ด้วยและผมก็ถามด้วยเสียงออดจะดังๆว่าหนูเป็นใครมาทำไมในห้องนี้หนูใครป่วยมาในห้องนี้และตายในห้องนี้เมื่อประมาณสองปีมาแล้วอ๋อ หนูเคยมาป่วยที่ห้องนี้และตายที่ห้องนี้หนูป่วยเป็นอะไรตายหรือป่วยด้วยโรคเวานตายค่ะหนูเป็นลูกหลานของใครล่ะคุณตาของหนูเป็นพยาค่ะชื่อของท่านขึ้นต้นด้วยอลงท้ายด้วยสิริงั้นหนูก็เป็นหลานหลานของเจ้าคุณอัจฉราทรงสิริใช่ไหมใช่ค่ะคุณอาเก่งมากแล้วพ่อของหนูล่ะคุณอาไม่รู้จักหรอกค่ะ มีพี่น้องกี่คนมีสามคนค่ะหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวหนูมาที่นี่เพราะอะไรจ๊ะหนูมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเสียชีวิตเมื่อการปีกายที่ตึกเด็กเขาบอกว่าเขาเป็นลูกคุณอาเมื่อชาติก่อนเขาอยากจะมาหาและมาช่วยคุณอาให้หายป่วยจากโรคนี้เขาให้หนูมาบอกก่อนค่ะจากนั้นแม่หนูคนนั้นก็หายไปหายวับไปเลย ผมลุกขึ้นนั่งแล้วเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ภรรยาและพยาบาลที่นั่งอยู่ด้วยกันฟังพยาบาลคนนั้นเธอตื่นเต้นมากพรามบอกกับผมว่าพรุ่งนี้เขาจะไปถามหัวหน้าตึกขอค้นประวัติว่าตึกนี้ห้องนี้เมื่อประมาณปี 2,502 มีเด็กผู้หญิงถึงแก่กรรมหรือเปล่าเพราะเธอแปลกใจและสนใจที่ผมพูดกับแม่หนูกนนั้นเป็นเรื่องเป็นราวตั้งนานจากนั้นผมก็เข้านอนไป โดยไม่ลืมภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธไปด้วยประมาณห้าทุ่มคืนเดียวนั่นเองด้วยอาการปวดประสาทอย่างแรงได้ปลุกผมตื่นขึ้นมาอีกแต่สองคนที่อยู่ในห้องหลับไปแล้วตอนนี้เงียบสงดแต่ผมนอนกุมขมับคุ้มศีรษะด้านขวาอยู่คนเดียวด้วยความปวดที่ออกจะรุนแรงเอาการผมได้ยินเสียงแว่วๆที่หูว่าพ้าเธอนอนอยู่นี่ไงเข้ามาสิ ผมลืมตาขึ้นมองก็ไม่เห็นอะไรแต่พอหลับตาก็ได้ยินเสียงพูดอีกว่าเข้ามาสี่เข้ามาเธอผมลืมตาอีกทีทีนี้เห็นเด็กผู้หญิงสองคนเข้ามายืนอยู่ที่ข้างเตียงผมคนหนึ่งก็เด็กอ้วนฉุคนเก่าอีกคนหนึ่งอยู่ในวัย12ขวบหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเธอเดินมายืนอยู่ข้างเตียงผมแล้วก็พูดว่าพ่อหนูมาช่วยพ่อ ผมจึงเรียกภรรยาผมและพยาบาลให้ตื่นและถามว่าเห็นเด็กผู้หญิงสองคนตรงนี้ไหมเด็กๆมายืนอยู่ตรงนี้น่พยาบาลเปิดไฟในห้องนอนสว่างครึบและบอกว่าไม่เห็นมีใครมาสักคนนี่คะผมก็ยืนยันว่ามีซิมีแม่หนูสองคนมาเยี่ยมแล้วมายืนอยู่ตรงนี้ไงแล้วผมก็ยื่นมือชี้ไปที่ตัวเด็ก คุณใบ ย, ยกเก้าอี้มาสองตัวให้แขกที่เขามองไม่เห็นนั่งข้างเตียงทันทีภรยาผมกับพยาบาลตื่นขึ้นนั่งขยับตัวเข้ามาประชิดกันเพราะชักจะหนาวอีกรอบหนึ่งแล้วทั้งสองคนก็พนมมือทำท่าจะสวดมนต์อีกรอบหนูอ้วนยืนอยู่สักคู่ก็ลาไปคุณอาคะหนูไปก่อนนะคะว่าแล้วก็หายวับไปอีกทีเหลือแต่แม่หนูคนเล็กคนเดียวตอนนี้เธอนั่งลงบนเก้าอี้ข้างเตียงนอนผม แล้วถามผมว่าพ่อปวดศีรษะมากเหรอคะตอนนี้ปวดมากจาก่ะหนูเป็นใครแล้วทำไมมาเรียกฉันว่าพ่อชาติที่แล้วมาหนูเกิดเป็นลูกพ่ออ๋อชาติที่แล้วเป็นลูกของพ่อหรือแล้วชาติก่อนนี้หนูเป็นลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงละ่ะเป็นผู้หญิงคะ่ะหนูเป็นอะไรถึงตายหนูไปเล่นน้ำแล้วลื่นถลในตกแม่น้ำตาย ูตายที่ไหนตกน้ําตายที่โรโมโรโมอยู่ที่ไหนก็อยู่แถวแถวท่าเตียนนี่แหละค่ะไม่ไกลเท่าไหร่ตอนที่ตกน้ําตายอายุเท่าไหร่สิบขวบกว่าๆค่ะแล้ชาติก่อนนี้พ่อเป็นอะไรชาติก่อนพ่อรับราชการในราชการที่สามเพราะเป็นราชมันราชมันคือใครพ่อไม่เข้าใจราชมันคือผู้คุมเป็นคนลงโทษนักโทษ ทรมานนักโทษลงทั้งประหารชีวิตนักโทษด้วยโอที่พ่อป่วยเนี้ยพ่อป่วยมานานเป็นเพราะอะไรและเมื่อไหร่จะหายป่วยเพราะกรรมเก่าที่ทําไว้ในชาติก่อนพ่อมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับนักโทษควบคุมลงโทษทรมานเขากรรมก็เลยตามสนองในชาตินี้ก็เราทําตามหน้าที่ลูกบอกว่าหน้าที่คือควบคุมลงโทษทรมาน ถ้าเราไม่ทำเราก็ผิดครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วนใหญ่สูงดำถูกดีกาว่าฆ่าชาวบ้านตายทำทารุณต่างๆแก่ราชฎรความจริงเขาไม่ได้ทำแต่ชาวบ้านรวมหัวกันใส่ความเขาอัยการก็คุมตัวมาลงโทษสอบถามเขาให้เขารับเขาไม่ได้ทำเขาก็ไม่รับราชมังก็คือพ่อนั่นแหละไปลงโทษเขา จับเขาเข้าขื่อเ ข, าขา้าคาตอกเล็บเขาแล้วเอาเครื่องมือมาบีบขมับเขาบีบขมับจนเขาสลบเพราะความเจ็บปวดเขาก็ไม่รับว่าเขาเป็นผู้ร้ายพ่อก็ลงโทษบีบขมับเขาอีกเพื่อให้เขารับว่าเป็นสัตว์จริงตามที่กล่าวหาเขาก็ไม่รับในที่สุดเขาก็ทนทรมานไม่ไหวเขาก็ขาดใจตายก่อนตายเขาผูกใจพยาบาทอาคาตพ่อไว้ว่า จะจองเวรไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะหมดเวรตอนนี้กรรมมาตามทันจึงได้เจ็บป่วยเช่นนี้แล้วเมื่อไหร่จะชดใช้กรรมนี้หมดเสียทีพ่อทำกรรมสร้างกรรมไว้มากทั้งกรรมดีและกรรมชั่วคากันกรรมดีทำให้พ่อเกิดมาเป็นอย่างนี้ส่วนกรรมชั่วก็ตามสนองมาเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่พ่อจะหมดบาปหมดกรรมอีกสี่ปี พศ2508พอถึงจะหมดกรรมนี้แล้วจึงจะหายป่วยภรรยาผมนั่งฟังอยู่ตลอดก็ขอให้ผมถามว่าเมื่อชาติก่อนเธอเกิดเป็นอะไรแม่หนูก็ตอบว่าคุณแม่เมื่อชาติก่อนนี้เป็นแม่ชีถือศีลกินเพนอยู่ที่วัดใต้ผมก็ไม่ทราบว่าวัดใต้ไหนแม่หนูก็บอกว่าเวลาปวดประสาทมากๆให้นึกถึงเธอ เธอจะมาช่วยให้เบาบางลงแล้วก็เอามือมาคุมที่ศีรษะข้างที่ปวดพรุ่งนี้แปดนาฬิกาหมอจะเอาตัวไปผ่ากระโหลกศีรษะพรุ่งนี้เช้าเหรอจะผ่ากระโหลกพ่อเหรอหนูกไปก่อนละพะยาบาลและภรรยาผมนั่งสงบอย่างบอกไม่ถูกและแล้วในที่สุดก็หลับไปทั้งสามคนรุ่งขึ้นเวลาประมาณ8นาฬิกาอาจารย์หมออุดมมาตรวจเยี่ยมได้รับรายงานว่า เมื่อคืนนี้ปวดประสาทมากปวดจนดิ้นถึงสองครั้งท่านยืนคิดสักครู่แล้วก็จึงพูดว่าแปดโมงเช้านี้จะเอาตัวไปผ่าตัดผ่าอ้อมปมประสาทที่ปวดออกแล้วหันมาสั่งพยาบาลให้ไปบอกหัวหน้าตึกว่าให้เตรียมคนไข้รายนี้ไปผ่าตัดภรรยาและพยาบาลมองหน้ากันด้วยความงุนงงเต็มทีเพราะไม่มีใครเชื่อว่าจะนําผมไปผ่าตัดที่งงก็เพราะเมื่อคืนนี้ได้ยินผมพูดคนเดียว ทวนคำพูดของแม่หนูว่าพรุ่งนี้8นาฬิกาหมอจะมาเอาไปผ่าตัดตอนนั้นก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งมาตอนนี้เชื่อแล้วเชื่อไม่มีข้อสงสัยสักครู่พยาบาลก็เข้ามาในห้องผมจัดแจงกลนคิ้วกนผมด้านขวาขึ้นไปถึงกลางศีรษะแล้วทาความสะอาดต่อจากนั้นก็ฉีดยาให้สลืมสลือครบประเภทมอร์ฟีนจนจน8โมงเช้า รถเข็นคนไข้ก็มาเทียบเอาตัวผมนอนเปลเข็นไปห้องผ่าตัดโดยมีภรรยาผมเดินตามไปด้วยผมเองตอนนั้นก็จะหลับไม่หลับแหลอยู่แล้วและแล้วผมก็หมดสติไปเมื่อได้รับยาสลบที่ห้องผ่าตัดผมมาทราบตอนหลังว่าในวันรุ่งขึ้นคือวันที่ผมได้รับการผ่าตัดนั้นพยาบาลในห้องได้ไปคุยกับหัวหน้าตึกและคุยกันต่อๆไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืน ทุกคนมีอาการเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็แปลกใจทุกคนที่ประหลาดใจมากก็คือในเมื่อผมเรียนจบจากศิริราชไปตั้งกว่า1ิปีจบแล้วออกไปเลยไม่ได้ทำงานอยู่ที่นั่นทำไมถึงทราบเรื่องรายละเอียดของเด็กหญิงที่เป็นโรคอ้วนและถึงกกรรมที่เตียงเตียงเดียวกับที่ผมป่วยในตึกวิบูลักษณ์ด้วยความสนใจพยาบาลหัวหน้าตึกได้ไปนค้นสืบประวัติของผู้ป่วย ค้นอยู่นานเพราะไม่ทราบชื่อผู้ป่วยและในที่สุดก็ค้นมาได้ว่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งป่วยและถึงเกิดกรรมที่ห้องนี้ด้วยโรคโอ้วนจริงความประหลาดใจในหมู่คนที่รู้เรื่องก็ชักกลายจะเป็นความเชื่อขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยตั้งแต่เรื่องเด็กมหาคุณหมอและบอกว่าเป็นลูกในชาติก่อนรวมทั้งเรื่องเมื่อคืนนี้ที่มาบอกว่าจะถูกผ่าตัดตอนเช้าพอวันรุ่งขึ้นเช้า อาจารย์หมออุดมก็ามาเอาตัวไปจริงๆพยาบาลสาวพึมพำกันทั้งตึกและจากตึกนี้ก็ไปตึกนูน้นไปจนทั่วโรงพยาบาลภายในไม่กี่วันอาจารย์หมออุดมท่านเคยรักษาโรคนี้ให้ผมมาทั้งสองสามครั้งแล้วโดยฉีดยาเข้าไปในกะโหลกศีรษะหมายจะทำให้ยาเข้าไปทำลายประสาทส่วนที่ปวดแต่ไม่ได้ผลมันเหมือนกับตีงูให้หลังหักโรคนี้อลาวาสใหญ่ ที่ฉีดยาเข้าไปในศีรษะนี้ประมาณสี่ครั้งในรอบสองปีเมื่อฉีดยาไม่ได้ผลท่านก็เลยลงผ่าลงไปในสมองตัดปมประสาทซะเลยโดยเจาะกระโหลกศีรษะด้านขวาเหนือหูขึ้นมาหน่อยคงจะเหมือนกับชาติก่อนที่ไปบีบขมับเขาตามที่เมนูเธอว่าเจาะและเอากระดูกกระโหลกออกมาขนาดเล่าเลียนสองสลึงทาให้มีรูกเกิดขึ้นจากนั้นก็เอามีดเอากันไก เขาไปตัดเส้นประสาทเ้นติห้ 5. แต่อาจารย์ท่านว่าการผ่าตัดทำด้วยความยากลำบากมากเพราะเรื้อรังมานานประกอบกับได้รับการฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปตั้งหลายหนมันก็เลยเกิดพังผืดขึ้นผลการผ่าตัดไม่น่าพอใจเท่าไรแต่เชื่อว่าคงได้ผลไม่น้อยการผ่าตัดประสาทสมองกินเวลาราวๆสีชั่วโมงเพราะความยากลาบากดังกล่าวพอราวๆเที่ยง เขาก็เข็นรถกลับมาที่เดิมในห้องมีแม่มีภรรยาพ่อตาแม่ยายซึ่งทั้งสองท่านนี้มีสักดิ์เป็นลุงและป้าผมด้วยทุกคนก็คงคิดว่าผมตายไปแล้วเพราะนานเหลือทนระหว่างที่รอคอยรับผมในห้องพยาบาลและภรรยาก็เล่าเรื่องทั้งหมดเมื่อคืนให้ทุกคนฟังต่างก็รับฟังโดยไม่มีข้อกังขาใดๆค่านั้นก็เกิดอาการปวดขึ้นมาอีกทีนี้ปวดสองอย่าง คือปวดเจ็บในสมองที่ผ่าตัดปวดแผลมีหน้ำซ้ำรคปวดเดิมก็ไม่ทุเราทำให้เกิดทุกข์ทรมานกว่าเก่ามือทั้งสองก็กลุ่มที่แผลกลุ่มศีรษะร้องปวดดิ้งไปแล้วก็นึกได้ผมจึงทะโกลนดังๆออกมาว่าหนูช่วยพ่อด้วยในห้องนั้นมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมกันอย่างมากมายต่งก็ได้รับฟังเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดทุกคนสงบ มีแต่ผมคนเดียวทุรนทุรายอยู่บนเตียงช่วอ่นใจเดียวก็ปรากฏร่างของเด็กหญิงที่บอกว่าเคยเป็นลูกผมมาชาติก่อนมานั่งอยู่ข้างเตียงผมจึงถามว่ามาแล้วเหรอลูกลูกช่วยพ่อทีตอนนี้พ่อปวดเหลือทนแล้วแม่หนูก็เอามือมาวางที่ศีรษะแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวจะทุเลาก็เป็นจริงอย่างว่า อาการปวดก็บรรเทาลงพยาบาลซึ่งถือเข็มฉีดยามาจะฉีดให้ก็เลยไม่ต้องฉีดคุณใบก็ช่วยยกเก้าอี้ให้แขกที่แลไม่เห็นนั่งอย่างเคยแม่หนูก็นั่งอยู่ข้างเตียงเอาสอกยันเตียงเอามือเท้าคางตามเดิมผมก็ถามเธอว่าหนูอ้วนไปไหนล่ะไม่ได้มาวันนี้หนูชื่ออะไรจ๊ะก่อนที่จะตายนี้หนูชื่อพิมพ์พวดี รู้เป็นอะไรตายเป็นใครเลือดออกตายค่ะตายที่นี่หรือตายที่ตึกเด็กค่ะแล้วตายเมื่อไหร่จ๊ะเมื่อพศ2503ค่ะหนูมีพี่น้องกี่คนมีห้าคนค่ะผู้หญิงผู้ชายกี่คนหนูเป็นหญิงคนเดียวค่ะพ่อแม่เสียใจมากไหมที่หนูตายจากไปพ่อแม่เสียใจมากเพราะหนู เป็นรูปผู้หญิงคนเดียวพ่อสร้างพับผ้าที่ส่วนกุศลให้หนูที่วัดมะกรูดหนูออชื่อหนูไปตั้งชื่อที่พับผ้านี้มีรูปหนูแล้วมีคำจรึกมีศพของหนูฝั่งอยู่ที่พับผ้าด้วยค่ะพ่อดีขึ้นแล้วหนูขอลาไปก่อนแล้วจะมาหาพ่อใหม่อีกนะจ๊ะทุกคนในห้องได้ยินได้ฟังพอฝังอย่างตั้งอกตั้งใจพยาบาลมาฉีดยาให้ผมอีก แล้วผมก็หลับไปจนเช้าโดยไม่มีอาการปวดรุนแรงมารบกวนอีกเลยในคืนนั้นเหมือนกับยังไม่สิ้นเวรสิ้นกรรมอาการของโรคที่สงบไปคืนหนึ่งนั้นพอรุ่งเช้าก็เอาอีกปวดอีกทุรนทุรายร้องคคลนครางอีกอาจารย์ท่านก็มาดูอาการทุกเช้าทุกวันสั่งการรักษาทุกวันเช้าสบายสายปวดกลางวันสบายบ่ายปวดติ้น หรือพอตอนเย็นสบายชื่นฉ่ำพอค่ำก็ร้องครังเป็นอย่างนี้อีกส4ถึงวันทุกครั้งที่ปวดผมจะนึกถึงหนูพิมพ์พรวดีทันทีไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนถ้าเป็นกลางวันก็จะได้ยินเสียงพูดว่าพ่อหนูมาแล้วแล้วเธอก็จะเอามือมากุมที่ผมปวดอยู่จนทุเลาคำพูดที่ผมพูดคือมาแล้วหรือลูกทุกคนที่มาเยี่ยมผม หรือมาอยู่ในห้องจะเงียบสงบคอยฟังคำพูดคำผมที่พูดกับวิญญาณในเรือนร่างของหนูพิม์อย่างใจจดใจจ่อเหมือนนัดกันในเย็นวันหนึ่งเย็นมากแล้วพณ ะ, ะท่านทวีบุญยเกศซึ่งเป็นพี่ชายของผมท่านไปเยี่ยมพร้อมด้วยบุตรชายของท่านคุณวีรวัตรบุญญเกศหรือที่ญาติญาติเรียกกันเล่นว่าบูเป็นคนขับรถพาพี่ชายไปที่ศิริราชท่านถึงอนิจกรรมไปแล้ว เหลือคุณวีรวัต์ซึ่งเดี๋ยวนี้ดารงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหากรรมกระทรวงอุตสาหากรรมคุณทวีเป็นประจักษ์พยานท่านหนึ่งโดยในขณะนั้นอาการปวดของผมกำเริบอีกปวดมากขึ้นมากขึ้นผมก็นอนร้องเรียกหนูพิมพ์ให้มาช่วยคุณทวีท่านทราบเรื่องนี้อยู่บ้างแล้วจะปากคำของ ย, ยากๆท่านก็เลยนั่งอยู่ปกติท่านไปเยี่ยมผมบ่อยมากแต่ไปนั่งไม่นาน พอท่านทนความสงสารในความทุกข์ทรมานของผมไม่ไหวอยานนั้นท่านนั่งอยู่นานหน่อยพอดีผมปวดมากแล้วร้องเรียกหนูพิมพ์ว่าลูกมาช่วยพ่อทีคุณทวีทราบเรื่องนี้จากญาติพี่น้องมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้ท่านมาเห็นพอดีคือผมเรียกหนูพิมพ์หนูพิมพ์ก็มาผมก็เลยถามว่าผ่าแล้วทำไมยังไม่หายยังไม่หาย ยังไม่หมดเว่หมดกรรมที่ทำไว้แล้วเมื่อไหรพ่อจะหายเราวอีกสี่ปีพอสองสนั่นแหละแล้วทำอย่างไรต่อไปพรุ่งนี้8ดโมงเช้าหมอจาตัวไปพาตัดอีกจะต้องพาตัดอีกสองครั้งรวมสีครั้งในคราวนี้ต้องพาอีกสี่ครั้งเชรึหนูจะลาไปก่อนวันนี้รีบหน่อย เราะจะไปรับส่วนกุศลที่เขาอุทิตให้ที่พัพพาพิมพวดีเขาอุทิตส่วนกุศลให้เรื่องอะไรเขาบำเพ็ญกุศลศพใครไม่รู้ในคืนนี้ที่พัพพาคนตายมีเห็ียมีตามีส่ยพา ย, ายผมก็ทวนคำพูดออกมาดังๆคุณทวีนั่งอยู่ก็หยาบพิสูจน์จึงให้วีรวัตรลูกชายขับรถยนต์ออกไปเดี๋ยวนั้นไปดูซิว่าที่พัพพาพิมพวดีวัดมงกุฎมีการบาเพ็ญกุศลศพใคร ศพเหรียนตาน่าจะรับพระราชทานเพลิงที่สุสานหลวงวัดเทพศิลิน์พ่อหนูพิมพ์บอกว่ามีสายสะพายคุณวีรวัตรบุญยเกตจึงรีบขับรถออกไปจากศิริราชทันทีไปที่วัดมังกรพอถึงพระปลาพิมพ์ภวดีก็เดินเข้าไปดูหน้า พ, ะ พ, าพระปลาปรากฏว่าเป็นความจรงิงคืนนั้นมีการนำศพออกมาจากสุสานมาบำเพ็ญกุศลพรุ่งนี้จะรับพระราชทานเพลิงเป็นศพของรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผมก็ลืมชื่อของท่านเสียแล้วรูปถ่ายหน้าโกธเป็นรูปเต็มยศมีเหรียญตามีสายสะพายจริงคุณวีรวัตรจึงรีบขับรถมาเรียนคุณทวีว่าเป็นอย่างที่ผมทวนคําพูดของหนูพิมพ์ทุกอย่างคุณทวีนั่งสงบกล่าวออกมาคําเดียวว่าแปลกแต่จริงผมก็เลยเล่าย้อนไปนิดหน่อยคือตอนที่หนูพิมพ์นั่งอยู่ข้างเตียงผมเอามือเท้าคางยันขอบเตียงอย่างเคยเราได้สนทนากัน เสียดายเสียดายอะไรหรือจ๊ะแก้ระยะคมไฟที่พพาคนที่ยกขา ย, ย่างวางพวงรีดเท้าขา ย, ย่างไปโดนคมไฟแก้วช่อระยะตกลงมาแตกหลายช่อทำให้ไม่สวยพ่อแม่ก็ไม่ทราบอีกสองสามวันคุณพ่อหนูในชาตินี้จะมาเยี่ยมพ่อพ่อช่วยบอกคุณพ่อหนูให้ช่วยเปลี่ยนแก้วระยะที่ตกลงมาแตกให้ทีหนูไม่สบายใจ ผมทวนคำพูดนี้ให้ทุกคนได้ยินทั้งคุณทวีด้วยก่อนที่คุณวีรวัต์จะกลับมาจากวัดมารายงานเรื่องศพที่พระพรานั้นคุณทวีและบุตรชายกลับไปด้วยความประหลาดใจว่าผมนอนเจ็บอยู่ที่เตียงสิบก ว, วันทำไมรู้เรื่องที่จะเผาศพรองอธิบดีกรมเจ้าท่าและศพตั้งบำเพ็ญกุศลที่พระพรานพิมพ์พวดีวิญญาณคงมาบอกจริงๆวิญญาณมีจริงหรือ คนตายแล้วยังวนเวียนอยู่หรือผมว่าท่านคงนั่งคิดนอนคิดไปนานคืนนั้นผมปวดอีกครั้งหนึ่งพอเช้าอาจารย์หมออุดมก็มาเยี่ยมเช่นเคยพอซาวอยังปวดอีกท่านก็ยืนคิดอยู่ครู่ใหญ่แล้วหันมาสั่งพยาบาลว่าไปบอกหัวหน้าตึกให้เตรียมคนไข้นี้ไปห้องผ่าตัดอีกทีเช้า ว, วันนี้ก่อน8ปดโมงเช้าผมตะลึงภรรยาและพะยาบาลงง ทุกคนในตึกนั้นเมื่อทราบคำสั่งก็ประหลาดใจเพราะพยาบาลที่เฝ้ า, าเธอเล่าให้เป็นเพื่อนฟังตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าเช้านี้ผมจะถูกผ่าอีกเพราะหนุิมพ์บอกไว้ล่วงหน้าแล้วผมก็ถูกนำไปห้องผ่าตัดดมยาสลบผ่าดึงเอาราบประสาทเส้นที่ว่าปวดออกโดยพยายามดึงออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วราวเกือบเที่ยงก็กลับมานอนที่ตึกพักโดยสลบมาบนรถเปรตามเคย พอฟื้นมาอาการปวดเจ็บแผลก็มาแทนแต่อันนี้ระงับได้ด้วยการฉีดยาพยาบาลมาฉีดยาระงับปวดให้เป็นระยะๆพอค่ำลงก็สงบญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเขามาเยี่ยมกันมากมายตามเคยที่มาเยี่ยมจริงๆก็มีที่อยากรู้เรื่องวิญญาณของเด็กที่มาช่วยผมก็มีพอสักสามทุ่มคืนนั้นหนูพิมพ์ก็มาอีกตามเคยเธอเอามือมาวางที่ขมับผม ปวดทั้งแผลผ่าตัดและปวดอยู่ที่เดิมทำอย่างไรมันก็ไม่หายผมนอนทนเอาภาวนาบริกรรมไปจนหลับไปที่สุดแล้วเธอก็กลับไปเมื่อผมสงบข่าวลือจะปากต่อปากไปไกลยิ่งกว่าประชาสัมพันธ์ท้งสื่อมวลชนและก็แน่นอนข่าวนั้นก็ย่อมต้องมากกว่าความเป็นจริงจนวันหนึ่งคุณชิตสวนรปัตเคยเป็นพยาบาลอาวุโสที่สายนั ด, ดาคลินิก ของท่านนายแพทย์บำรหลวงเตอร์สนิทวงซึ่งผมเคยทำงานอยู่ด้วยเป็นคนชอบพอกันในสมัยที่ทำงานอยู่เธอมาเยี่ยมและมาบอกผมว่าจะมีคนมาพบมาหาและมาคุยเรื่องหนูพิมผมก็บอกเธอว่าก็มีอย่างที่พยาบาลและภรยาผมได้ยินได้ฟังก็เท่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นถัดต่อมาอีกวันหรือสองวันเย็นๆมีชายหญิงคู่หนึ่ง ซึ่งผมไม่รู้จักกันมาก่อนมาขอเยี่ยมดูเหมือนจะเป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นขณะนั้นอาการผมดีขึ้นนิดหน่อยไม่ใช่กำลังปวดประสาทสองท่านเขามานั่งสนทนาด้วยแล้วก็เรียบเคียงเข้ามาถามเรื่องหนูพิมพ์ผมก็สรุปให้ท่านฟังนิดนิดหน่อยๆนมีภรรยาและพยาบาลที่ค่อยเสริมให้แจ่มชัดขึ้นสองท่านนี้เอาพวงมาลัยดอกมะลิพวงใหญ่มาแขวนไว้ที่หัวนอน เียงในห้องบังเอิญจุดทูบหอมบูชาพระกลิ่นผสมกันหอมพิกลทำท่าจะเป็นวัดหรือศาลเจ้าห้หลัาไปโน่นสักคู่ใหญ่คุณผู้ชายที่มาด้วยก็ขออนุญาตเอารูปถ่ายเด็กๆผู้หญิงราวสัก30ิบใบจะได้มาวางเรียงเรียงกันบนที่นอนผมชักสงสัยว่าท่านจะมาทำพิธีปัดรังควานหรือทำพิธีแขกที่เรียกว่าอิสวรกุมารี คือเอาเด็กๆพรมจันทร์มาบูชาพระอิศวรวนบานสารเก่าให้ผมหายป่วยไข้หรื อ, อยังไงแต่ไม่ใช่พอท่านค่อยๆเอารูปถ่ายสัก2นิ้วบ้าง3มนิ้วบ้างมาวางเรียงเต็มหน้าเตียงที่ผมนอนอยู่ท่านก็ถามว่าคุณหมอช่วยชี้สิครับว่าคนที่มาหาคุณหมอและบอกว่าชาติก่อนเป็นลูกสาวคุณหมอและชาตินี้มาเป็นลูกสาวผมนะ่คนไหนในรูปถ่ายที่นามาเรียงอยู่นี้ ผมลุกขึ้นนั่งและหยิบแว่นตา ม, มาสวมดูปฏิรูปทีละรู ป, รรปดูไม่นานนักโดยใช้วิธีหยิบรูปที่ไม่ใช่หนูพิมพ์ออกมาวางไว้กองหนึ่งหยิบออกมากองทีละใบทีละใบเหลือใบสุดท้ายทิ้งไว้บนเตียงหนึ่งใบแล้วก็หยิบรูปนี้ชูพามบอกว่าหนูคนนี้ละครับที่มาหาผมทุกวันทั้งสองท่านที่มาเยี่ยมหุบรอยยิ้มที่ปากคุณผู้หญิงร้องไห้โหใหญ่ คุณผู้ชายเช็ดน้ำตาและบอกว่าใช่แล้วครับรูปนี้คือรูปถ่ายหนูพิมพ์ภาวดีลูกสาวผมถ่ายในเครื่องแบบนักเรียนส่วนรูปอื่นๆเป็นรูปของเพื่อนๆหนูพิมพ์ 5-6 หชีวิตในห้องพักคนไข้ที่ผมนอนป่วยอยู่เงียบหมดแทบไม่ได้มีแม้แต่เสียงลมหายใจต่างคนต่างขยับเข้ามาดูรูปหนูพิมพ์ที่วางอยู่บนเตียงซึ่งตอนนี้อยู่ในมือผมพอบรรยากาศเริ่มคลี่คลายไปในทางปกติท่านที่มาเยี่ยมก็บอกว่า ผมทราบจากคุณชิดก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมและสอบถามถึงลูกสาวผมทุกวันนี้ผมยังระลึกถึงนุพิมพ์อยู่เสมอแกเป็นเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูมากท่านั่งประจำของแกก็คือท่านั่งเท้าคางเอาข้อสอกยันพื้นไว้อย่างที่คุณหมอพูดจริงๆผมชื่อเสียงโหสกุล oh, ครับผมมีกิจการส่วนตัวค้าขายเครื่องอะไรรถยนต์ทุกชนิดที่เป็นตึกสามชั้นอยู่ตรงสามแยกสะพานนพวงศ์ ทิศตายของโรงเรียนวัดเทพศรินนี่เองครับผมก็ถามคุณเสียงว่าคุณเสียงมีบททิดากี่คนคุณเสียงก็บอกซึ่งผมจำไม่ได้ว่า3มหรือ4คนแต่ที่แน่ๆมีทิดาคนเดียวก็คือหนูพิมพ์นี่เองเธอป่วยได้ไข้เลือดออกเสียชีวิตที่ตึกเด็กโรงพยาบาลศิริราชประมาณปี 2,503 จริงส่วนเรื่องเด็กหญิงอ้วนๆที่ตายด้วยโรคอ้วนนั้นไม่ทราบเรื่องผมก็ถามคุณเสียงว่า มีอะไรเกี่ยวกับหนูพิมพ์ีกไหมผมอยากทราบคุณเสียงก็พูดว่าเช้าวันหนึ่งพระภิษุกสงฆ์ห้ารูปจากวัดเทพศรินีเองได้เดินไปที่ร้านเสรีวัฒนามีตะลปรดทุกองค์และก็มีลูกศิษย์ตามไปด้วยสองสามคนพอพระท่านเดินทางไปถึงก็ก้กาวเข้าไปในร้านลูกศิษย์ก็ร้องบอกว่าพระมาแล้วครับคุณเสียงก็งงจึงถามว่ามาเรื่องอะไร พระรูปหนึ่งในคณะก็พูดว่าที่เมื่อเย็นวานนี้ให้เด็กผู้หญิงไปนิมนต์มารับสังฆทานห้ารูปนิมนต์ให้มาที่นี่คุณเสียงก็พูดว่าไม่เคยให้เด็กคนไหนไปนิมนต์พอดีพระองค์หนึ่งเหลือไปเห็นรูปไทยของหนูพิมพที่ติดไว้ที่ข้างฝาท่านก็ชี้ว่าหนูคนนี้แหละที่ไปนิมนต์อาตมานั่งอยู่ด้วยกันสมองค์ได้ยินชัดทั้งสมองค์ส่วนสององค์นั้นอาตมานิมนต์ใหมาครบ เพิ่มเป็นห้าองค์ตามที่คุณแม่หนูบอกคุณเสียงตะลึงและงงเป็นที่สุดจะไม่เชื่อก็ไม่ได้แล ะ, ะเผอิญวันนี้ก็เป็นวันที่ถึงแก่กรรมของหนูพิมพ์พ่อแม่จะทำบุญใส่บาตรอุทิศกุณกุศลไปให้อยู่แล้วฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนเป็นทำสังฆทานตามที่หนูพิมพ์ปรากฏร่างไปนิมนต์พระมาให้เสียเลยก็แปลกวิญญาณในเรือนร่างของหนูพิมพ์ไปนิมนต์พระมาทาสังฆทานให้กับตนในวันตายของตนเอง คุณเสียงถามต่อไปว่าตอนนี้หนูพิมพ์อยู่ที่ไหนผมก็บอกท่านว่าหนูพิมพ์ยังอยู่แถวแถวนี้และมาเยี่ยมผมเกือบทุกคืนโดยมากก็ไม่เว้นแต่บางทีก็มากลางวันผมก็เลยบอกคุณเสียงว่าหนูพิมพ์บ่นว่าคนที่ถือขายอย่างที่วางพวงหรีดเอาขายอย่างไปเกี่ยวกับระยะคมไฟกลางพับพาพิมพ์ภวดีตกมาแตกหลายอันเพราะเธอไม่รู้เลยไม่มีใครไปทําให้ดีเหมือนเก่า เธอเสียดายมากผมก็นอนอยู่บนเตียงนี้มามากกว่าสิบวันแล้วแล้วก็ไม่เคยไปนั่งในพับปลาที่ว่านี้หากจะไปงานศพที่วัดไหนผมก็มักจะนั่งนอกศาลาเพราะครั้งนอกเย็นดีได้รับลมและผมจะรู้ได้อย่างไรละ ว, ว่าในกลางพับพานั้นมีโคมไฟระย้าห้อยอยู่และเดี๋ยวนี้ปลายล่างของโคมไฟตกลงมาแตกหลายอันคุณเสียงจึงให้คนขับรถขับบึงไปดูว่า โคมไฟนั้นเป็นจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าคนขับรถกลับมาในตอนหลังก็มาเรียนคุณเสียงว่าระยะที่ห้อยโคมไฟขาดไปหลายอันสงสัยจะตกลงมาแตกท่านจึงสั่งว่าพรุ่งนี้ให้รับช่างไฟไปดูและจะการเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยคุณเสียงและภรรยานั่งอยู่สักพักก็ลากลับก่อนจะกลับได้ถามผมว่าดูพิมพ์พูดหรือเปล่าว่าวิาวญญาณของเธอจะไปไหน ผมก็บอกว่าอีไม่ช้าหนูพิมพ์จะไปเกิดและทีนี้จะเกิดเป็นผู้ชายเธอเขวิกับผมไว้ไว้าอย่างนั้นพอได้ยินคำนี้พระยาคุณเสียงก็ยกมือไหว้พึ่งพำว่า mm. เกิดชาติใดฉันใดขอให้เกิดเป็นลูกแม่อีกนะลูกก่อนจากกันทั้งสองท่านได้ออกป่าเชิญผมว่าถ้าผมหายเมื่อไหร่จะเชิญผมและภระยาไปที่บ้านไปรับประทานอาหารที่บ้านสักครั้ง บ้านท่านอยู่ถนนสุขุมวิท์จะเป็นซอยนานาใตา้หรื อ, อย่างไรผมก็จำไม่ได้แล้วและเมื่อผมหายป่วยในคราวนั้นกลับบ้านแล้วผมก็ได้ไปบ้านท่านตามคำเชิญโดยมีญาติมิตรของท่านมาดูหน้าผมและฟังเรื่องนี้อีกเมื่อตอนจะจากกันในคืนนั้นที่สิริราชผมได้ออกปากขอรูปถ่ายของหนูพิมพไว้เพื่อจะได้ดูและอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้เธอเวลาผมสวดมนต์และทาบุญทากุศล ซึ่งผมก็ปฏิบัติดังนี้มาเป็นเวลากว่า27ปีแล้วซึ่งท่านก็ได้กรุณามอบใบใหญ่ขนาดโปสการ์ดให้ผมไว้หนึ่งใบเห็นจะเป็นเพราะวันนั้นไม่ได้พักผ่อนและสนทนาพาธีกันมากพอค่ำลงอาการปวดก็มาเยือนอีกคราวนี้ปวดบริเวณเหนือคิ้วทางขวา ม, มากที่สุดแล้วก็เลยลามปามไปปวดตั้งแต่ขมับขึ้นไปถึงกลางกระมมงมันทั้งแสบทั้งปวดเหมือนเอาไฟมาอังปวดอยู่นาน ผมนึกถึงหนูพิมพไปพยายามเข้าสมาธิไปมันก็ไม่ทุเลาหนูพิมพมาเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบพอรู้ว่าเธอมาผมก็พูดว่ามาแล้วเหรอรูปสองคนที่เฝ้าอยู่ก็นั่งฟังอย่างเคยข่าวนี้มีพยาบาลเวรที่ตึกมาฟังด้วยผมก็ถามว่าเมื่อไหร่จะหายหรือหมดเวรหมดกรรมสัทีมันทรมานจริงๆอีกสี่ปี ถึงจะพบหมอที่รักษาให้หายขาดได้เมื่อนั้นก็หมดเวรแล้วก็จะมีความสุขตลอดไปเพราะกุศลที่ทาเพราะกุศลกรรมเพราะกุศลกรรมตามมาสนองแล้วแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ตอนนี้เพราะตอนนี้กระปวดมากพรุ่งนี้พ่อจะถูกผ่าตัดอีกคราวนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับงวดนี้และจะเป็นการผ่าตัดที่ทารุณที่สุดในชีวิตของพ่อ เพราะจะพ่าตัดสพสดดิบๆโดยไม่ใช้ยาชาผมทูลคำพูดของเขาอีกว่าพรุ่งนี้พ่อต้องถูกพ่าตัดอีกหรือแล้วจะทารุณที่สุดด้วยหรอทุกคนในห้องเงียบทุกคนมีแต่ความเวทนาสงสารพรยาผมนั้นเชื่อสนิทใจถึงกับน้ำตาไหลด้วยความรันทดใจผมนั่งเอาศีรษะกดไว้ที่ขอบเตียงบางทีก็อยากจะเอากระแทกลงไปที่เหล็กหัวเตียงเพราะความปวด พยาบาลฉีดยาให้หลับตามที่หมอเวนสัง่งก็หลับไปพอตื่นก็ปวดอีกแทบตลอดคืนผมนึกเบื่อตัวเองแทนอาจารย์ที่ท่านตั้งใจรักษาอยากจะให้ไตาตายเสียรู้แล้วรู้รอดไปจะได้ไม่ทรมานแต่มันยังไม่หมดวิบากกรรมก็ต้องทนอยู่เรื่อยไปรุ่งเช้าเจโมงอาจารย์ท่านก็ามาเยี่ยมอีกตามเคยพอได้รับรายงานจากพยาบาลท่านก็ยืนนิ่งอยู่ครูใหญ่ และหันกลับมาพูดกับผมว่าเดี๋ยวแปดโมงเชา้าจะเอาไปผ่าตัดอีกครั้งทีนี้เลาะประสาทฝอยให้หมดทั้งแถบมันคงจะไม่มีอะไรมาปวดอีกแล้วแล้วท่านก็สั่งพยาบาลไปอย่างเคยทุกคนนิ่งนิ่งด้วยความเวทนานิ่งด้วยความประหลาดใจและเชื่อมือว่าทุกครั้งที่หนูพิมพ์มาบอกเป็นต้องไม่มีผิดจะไม่เชื่อก็ไม่ได้ เขาก็ออกจากปากไปจากปากนี้ไปปากโน้นตามเคยว่าวิญญาณหนูพิมพ์มาบอกล่วงหน้าทุกทีว่าจะผ่าเมื่อไรและก็จริงทุกทีพอร า, ร า, าวแปดโมงเช้ารถเข็นคันเดิมก็มาอีกคราวนี้พยาบาลไม่ฉีดยาให้ก่อนผ่าตัดผมถามพยาบาลก็ได้รับคำตอบว่าคราวนี้อาจารย์จะผ่าสดสดดิบๆบไม่ใช้ยาฉีดไม่ใช้ยาชาใดๆทั้งสิ้นผมก็ขึ้นรถนอนเปไปกับเขาพอถึงห้องผ่าตัด อาจารย์ท่านก็บอกว่าไม่รู้ว่าเส้นประสาทเส้นไหนที่มันเสียมันถึงทำให้ปวดถ้าให้ยาชายาสลบแล้วมันก็เหมือนถอนฟันเลยไม่รู้ว่าซี่ไหนปวดเพราะฉะนั้นคราวนี้ผ่าโดยไม่ใช้ยาสลบเลยขอให้ทนเอาผมคึกว่ากรมกรมแน่แท้เพราะแม้แต่ศัตวแพทย์เขาจะทาการผ่าตัดสัตว์เขายังใช้ยาระงับความรู้สึกยาระงับความเจ็บปวด นี่ผมเป็นคนแท้ๆยังโดนแบบนี้ว่าแล้วท่านก็เอามีดกรีดลงไปบนคิ้วขวาของผมกรีดตลอดแนวยาวตั้งแต่หัวคิ้วขวาเรื่อยไปผมสะดุ้งสุดตัวด้วยความเจ็บปวดร้องครวญครางท่านอาจารย์ก็บอกว่าเจ็บก็ร้องไปตำรวจไม่จับหรอกแล้วท่านก็ผ่าไปเอาครีมจับเส้นประสาททีละเส้นพอเส้นประสาทถูกครีมมันก็ปวดได้ถึงหัวใจ ผมร้องออกมาดังกว่าวัวควายที่กำลังถูกเชือดเพราะคารผ่าแบบนี้เวลาดึงเส้นประสาททีไรก็สะดุ้งจนตัวล อ, อยพยาบาลห้องผ่าตัด ก, ก็กดตัวไว้ทั้งๆ้งที่พันธนาการอย่างเหนียวแน่นผมถูกผ่าไปดึงประสาทไปร้องจนสุดเสียงไปเพราะความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานเป็นอย่างนั้นอยู่กว่าชั่วโมงอาจารย์ท่านพยายามดึงประสาทฝอยออกมาให้มากที่สุดแต่ก็ยากเพราะมันติดกันนุงนางเหมือนวนเส้นที่เราเอามายำกิน ผมร้องโอดควรดังที่สุดในชีวิตเจ็บที่สุดในชีวิตปวดที่สุดในชีวิตทารุณที่สุดในชีวิตเหมือนกับหนูพิมพ์บอกเอาไว้ไม่มีผิดและสุดท้ายผมก็สลบไปเองเพราะความเจ็บปวดมารู้สึกตัวอีกทีก็มานอนอยู่บนห้องนอนมีสายน้ำเกลือลุงรังมีสายยางที่จมูกและปากพร้อมความปวดเนี่ยังไม่หายแม้จะหยุดผ่าตัดแล้วแต่ความปวดจากความระบมมันสุดแสนจะทนทาน จนต้องร้องและครางออกมาดังๆไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงต่กกี่ชั่วโมงค่ำนั้นก็ยิ่งปวดแผลปวดระบบประสาทปวดระบบสมองเมื่อยไปทั้งตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนผมถูกฉีดยาระงับปวดยานอนหลับก็หลับไปทั้งสายยางต่างๆจนตื่นอีกทีก็ดึกโขเห็นใจราวๆสองยามกว่าจาได้ว่าวันที่ถูกผ่าตัดวิบากชดใช้กรรมนั้นเป็นวันพุธ ก็พออาจารย์บอกว่าวันพฤหัสพรุ่งนี้ไม่ว่างท่านติดประชุมผาเสจาวันพุธนี่แหละพอผมตื่นขึ้นมาก็พบภรรยาพยาบาลพิเศษที่นั่งเฝ้าอยู่ผมถามทั้งสองคนนั้นว่านี่ยังไม่ตายอีกหรือมันทารุณที่สุดแล้วสองคนนั้นน้นนาตาคลอตาน้าตาไหลเพราะความสงสารแล้วผมก็หลับตาลงภาวนาพุทโธพุทโธ ร, ระงับเวทนา หลับตาสักครู่หนูพิมพก็มาหาเอามือกลุมตรงที่ผ่าตัดและตรงที่ปวดผมก็ถามว่าพ่อหมดเวรหรือยังพ่อชดใช้กรรมตามที่เขาอาคาตไว้มากแล้วต่อไปจะค่อยๆดีขึ้นแล้วพ่อจะถูกผ่าตัดอีกไหมไม่มีแล้วแล้วจะปวดอีกไหมโรคปวดประสาทนี้เนี่ยยังมีแต่ไม่ทารุนมากนะักอีกสี่ปี แล้วจะให้พ่อทำอย่างไรต่อไปทำบุญอุทิศนกุศลให้เขาได้เรื่อยขออโหสิเขาเสียภาวนาแล้วส่งใจไปแผ่อุทิศนกุศลให้เขาเสมอๆนะพ่อนะพ่อจะกลับบ้านได้เมื่อไหร่วันอาทิตย์นี้แหละจ้ะพ่อแล้วถ้ามันยังไม่หายจะกลับยังไงก็ยังมีกำบอเบาหลงเหลืออยู่ถึงจะเป็นก็ไม่รุนแรงเท่าคราวนี้จ้ะเวลาพ่อกลับบ้านแล้วพ่อจะนั่งเรียกให้ลูกไปหาจะได้ไหม หนูจำต้องราไปก่อนแล้วคราวนี้หนูจะเกิดเป็นผู้ชายจ้ะแล้วตอนนี้ลูกก็เข้าบ้านพ่อไม่ได้เจ้าที่เจ้าทางห้ามจ้ะหนูขอลาพ่อไปเลยนะทีนี้จะไม่มาอีกแล้วจ้าพ่อพ่ออย่าลืมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนะพ่อนะและก็เป็นจริงอย่างว่าหนูพิมพ์ไม่ปรากฏกายให้เห็นอีกเลยอาการปวดผมก็บรรเทาลง แต่แม้จะไม่หายขาดก็ยังดีกว่าเดิมผมนอนอยู่อีกสมวันถึงวันเสาร์ตอนเช้าอาจารย์อุดรก็มาเยี่ยมอีกท่านไม่เคยหยุดงานเลยแม้แต่วันหยุดราชการผมได้งานว่าอาการปวดเบาไปเยอะแต่ก็ยังมีอยู่ไม่หายขาดอาจารย์ก็บอกว่าเรายังเข้าไปทำลายสูนประสาทของมันไม่ได้เมื่อไหร่ทำลายหมดเมื่อนั้นก็จะหายขาดพรุ่งนี้วันอาทิตย์ จะกลับบ้านก่อนก็ได้พักฟื้นต่อไปเพื่อมีอะไรต่อไปค่อยว่ากันใหม่ผมลุกขึ้นนั่งกราบท่านในความการุณาแล้วท่านก็จากไปผมดีใจย้ายกลับบ้านในเช้าวันพรุ่งนี้ทั้งทงที่แผลต่างๆยังไม่หายท่านบอกว่าทำแผลเองเอาใหมเอาเองก็แล้วกันเป็นหมออยู่กับตัวแล้วนี่คืนนั้นผมนอนหลับได้ดีมากอาการปวดประสาทที่มีก็รบกวนนิดหน่อย ตอนที่หลับก็หลับสนิทไม่มีอะไรมาพ้องพาในใจผมก็เข้าสมาธิต่ตอไปเช้าวันอาทิตย์ผมถวายบังคมลาเสด็จพระราชบิดาลาพยาบาลแพทย์ที่ช่วยเหลือก่อนกลับผมก็ถือรูปหนูพิมพ์ไว้ในมือและสั่งให้รถแวะไปที่วัดมกุฏเกษัตรยารามก่อนเพื่อไปดูพระปาพิมพวดีไปดูรูปหนูพิมพผู้มีพระคุณผมลงจากรถเดินไปที่พระปาพิมพวดี ในขณะนั้นประตูเหล็กปิดอยู่ผมได้แต่ยืนข้างนอกตาก็จ้องดูรูปหนูพิมพ์ที่ผนังพระปลาโดยมีภรยาผมคอยดูอยู่ด้วยผมยกมือขึ้นอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้เธอและบอกว่าจะทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้และเมื่อสวดมนต์แล้วจะอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้เธอทุกวันจนกว่าผมจะตายไปและขอให้ได้พบกันเป็นพ่อลูกกันทุกๆชาติผมขอจบเรื่องนี้ด้วยความเชื่อที่ว่า จิตและวิญญาณนั้นมีจริงเพราะผมได้ประสบกับตัวเองมาแล้วดังที่เล่าให้ท่านฟังในรถทัวร์คันนั้นต่างเงียบกริบเมื่อผมเล่าเรื่องจบลงคุณสนอนินกำแหงสมาชิกผู้หนึ่งในคณะที่เราไปเที่ยวเล่นกอล์ฟกันได้ลุกขึ้นยืนพูดว่าผมสนอนินกำแหงคุณหมออาจินอาจจะยังไม่รู้จักผมละเอียดนักเพราะเดินทางมาเที่ยวกันครั้งแรก ผมขอเรียนว่าเด็กหญิงที่เป็นโรคอ้วนแล้วเสียชีวิตที่ตึกวิบูลลักษณ์นั้นเป็นเรื่องจริงเพราะเด็กผู้หญิงผู้นั้นเป็นลูกสาวผมเองครับไม่มีทางรักษาเมื่อพศ2502และจํานวนพี่น้องของเธอที่บอกกับคุณหมอนั้นเป็นความจริงทุกประการครับผมขอยืนยันและไม่ต้องไปสอบถามที่ไหนอีกผมก็ยกมือไหว้ท่านเพราะท่านแก่กว่าผมแล้วเรียนท่านว่า ผมเพิ่งรู้ว่าคุณสนะเป็นพิดาของหนูที่เป็นโรคอ้วนตายวันนี้และเดี๋ยวนี้เองเรื่องนี้อาจจะมีกติเป็นกุศลและคติอยู่บ้างพอสมควรขอท่านผู้อ่านทุกท่านจงได้รับกุศลผลบุญนี้ถ้าหากว่าข้อเขียนของผมจะเกิดประโยชน์ในทางการบุญการกุศลแก่ท่านที่บำเพ็ญแล้วแก่นูพิมพ์ภวดีโหสกุลเพื่อเธอจะได้ประสบสุขต่อไปในทุกภพชาต ในฐานะที่เธอเป็นผู้ให้ความสว่างว่าบาปบุญนั้นมีจริงกรรมและผลแห่งกรรมก็มีจริงแก่ผมและท่านพอผมเล่าเรื่องจบทุกคนในรถทัวร์คันนั้นเงียบสนิททุกคนหันไปมองหน้าผมและหน้าคุณสนทดนินกำแหงซึ่งท่านเดินมาที่ผมตรงมาหยุดยืนและพูดว่าแม้ผมจะเชื่ออะไรยากแต่เรื่องนี้ทําให้ผมได้คิด และได้ความเชื่ออะไรอีกเยอะคุณหมอน่าจะพิมพ์เรื่องนี้ไว้ให้ได้อ่านในหลายคนเพราะประจักษ์พยานหลายคนยังมีชีวิตรวมทั้งตัวคุณหมอด้วยที่จากไปก็มีเพียงสองท่านคือคุณทวีบุญยเกศและคุณชิดสุวรรปัตแต่ผู้อื่นยังมีชีวิตอยู่แม้คุณเสียงโหสกุลกับภรรยาท่านาศาสตราจารย์หมออุดมถ้าทิ้งไว้ไม่เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วทั่วกัน อีกหน่อยเรื่องก็จะเงียบหายไปแล้วก็จะเกิดเรื่องใหม่ที่คลาดเคลื่อนแต่วความเป็นจริงมาแทานแบบเรื่องนางหน้าพระขนงก็เป็นได้เรื่องวิญญาณที่ผมพบและพูดคุยด้วยก็จบลงด้วยความขอบคุณต่อท่านบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฟ้าเมืองไทยที่ได้กรุณาพิจารณานําลงเผยแพร่และอีกฉบับหนึ่งซึ่งพอจะหาอ่านได้แต่ก็ไม่ละเอียดนักก็ในหนังสือของท่านเจ้าคุณศรีวิสุทธ์กวี วัดโสมนัสวิหารหนังสือนี้ชื่อตายแล้วไปไหนคําถามมีคาใจอยู่ในใจท่านตอนนี้ผมขอถือโอกาสตอบเลยครับว่าผมนะ่ะเชื่อว่าวิญญาณมีจริงจิตมีจริงผลแห่งกรรมอันเกิดจากการเจตนามีจริงกรรมดีกรรมชั่วมีจริงและผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วก็ตอบสนองเราอย่างจริงด้วยครับแต่ต้องรอว่า จะช้าหรือเร็วเพียงไรเท่านั้น